ที่ตั้งใจในการศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้จะบรรยายในมหาปรินิพานสูตรในมหาปรินิพานสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่พูดถึงพุทธจริยาวัดก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานไปจนถึง การปรินิพานของพระพุทธมีพระภาคเจ้าในสูตรนี้ไปอยู่ในคัมภีร์ทีขณิกายมหาวัคค์แล้วก็จะศึกษาทั้งตัวพุทธพจน์แล้วก็ตัวอัตถกถาคือในสมังคละวิลาสีอัตถกถา ซึ่งเป็นอันธกถาของทีคนิกายมหาวัฏซึ่งก็จะว่าด้วยพุทธจริยวัดของพระพุทธเจ้าในการเสด็จดับขันธบุรีนิพพานแต่เบื้องต้นก็คือกล่าวก่อนที่จะบรินิพพานแล้วก็ไปจนถึงการเสด็จดับขันธบุรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าในทีคนิกายเนี่ยท่านก็กล่าวไว้ว่าคำว่าทีคณิกายเนี่ยก็แปลว่าเป็นสูตรยาว ฉะนั้นในสูตรเนี้ถ้าศึกษากันก็ต้องใช้เวลาอีกอีกหลายหลายวันเสาร์หนึ่งก็แต่ก็เป็นการทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ในพรรษาการสุดท้ายเนี่ยว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธบริณิพันข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ ท่านพระอนุนูดเลยนะว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จอยู่หนบนภูเขาคิชโกดใกล้กรุงราชคลึกก็สมัยนั้นแหลพระราชาอาชาศัตรูผู้เป็นใหญ่ในแวนคว้นเมรุข์พอกล่าวถึงตอนนี้ก็ทราบว่าพระเจ้าพิมพิสาร น, น, นั้นนะสวรรคตแล้วคือพระเจ้าชาติศัตรูก็มาเป็นพระเจ้าเป็นดินแทน พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเป็นพระโอรสของพระนางเวเทหิมีพระราชประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัชีพระองค์ก็ตรัสอย่างนี้ว่าพระเจ้าวัชีทั้งหลายเหล่านี้มีฤทธิ์มากอย่างนั้นมีอนุภาพมากอย่างนั้นเราจากถอนทำลายวัชีเสียจะทำแคว้นวัชีให้พินาศจะทำแค ว, ว้นวชีให้ถึงความย่อยยับ คือพระเจ้าชาติศัตรูก็ก็ดำลิกในลักษณะอย่างนี้นะบอกว่าวัาชีเนี่ยเข้มแข็งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากเราก็จะทำลายให้ย่อยยับแล้วก็เลยตรัสพระเจ้าชาติศัตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคตซึ่งเป็นโอรสของพระนางเวเทนีก็ตรัสแก่วัสการาพามว่าผู้เป็นมหาอมาตย์ของแคว้นมคต ขอเชิญท่านพราหมณ์จงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือวัสการพราหมณ์เนี่ยเป็นหมหาอามาตเป็นอมาตผู้ใหญ่ในแฝนมคตบอกให้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถวายบังคมยุคนบาทของพระบรมศาสดาด้วยเสียรกล้าวแล้วก็กราบทูลถึงความไร้พระโลภคาพาดความคล่องพระองค์พระกําลังทรง เกมสำมลานตามคำของเราว่าฆ่าแต่พระองค์ผู้เจเริญพระราชาชาติสัตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคตพระโอรสของพระนางเวเทหิถวายบังคมยุคนบาทพระบรมศาสดานด้วยเสียรเก้วทูลถามขึ้นความไรพระโรคาพาดความคล่องพระองค์ความทรงมีพระกำลังสําลานและท่านจงกราบทูลอย่างนี้ว่าพระราชาชาสัตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคต ซึ่งเป็นพระโอรสของพระนางเวเทหิมีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแฟนวชีนคือให้วัสการาพรามเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าโดยหลักการก็คือว่าเออในแผ่นดินนี้ใครเป็นใหญ่ใช่ไหมใครฉลาดที่สุด เ, เอือพระพุทธเจ้าใช่ไหมลองไปดูาลาดเราเนี้ยว่าพระพุทธองค์จะมีพระประสงค์ยังไงใช่ไหม เพราะว่าที่ส่งวัศกาลาพามไปเพราะวัศกาลาพามเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดวิจิตมากคือพูดเรื่องดีสามารถเอามาประยุกต์ในเรื่องร้ายๆก็ได้คือเขามองอะไรทุกเรื่องนเนี่ยเขาเขาเป็นนักคิดเนี่ยเป็นนักคิดและเป็นคนฉลาดปัดเปลืองในยุคนั้นแถวตัวไม่รอดเนี่ยวันวันขาชีวิตพระองค์มีพระดำหลัดอย่างนี้ว่าพวกเจ้าและวัชี ทั้งหลายเหล่านี้มีฤทธิ์มากอย่างนั้นมีอนุภาพมากอย่างนั้นเราจะถอนทำลายแคฟนวัชีเสียจะทำแฟนวัชีให้พินาศจะทำแฟนวัชีให้ถึงความย่อยยับแล้วพระผู้มีพระเจ้าพยากรณ์กับท่านอย่างใดท่านจงเอาคำพยากรณ์นั้นให้ดีบอกจงจำคำพยากรณ์นั้นให้ดีแล้วมาบอกแกเรา เพราะว่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลายตรัสสิ่งที่ปราศจากความจริงไม่ก็อมองหมายความบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่พูดในเรื่องที่ไม่จริงใช่ไหมพระพุทธเจ้าจะต้องพูดในเรื่องที่จริงถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าไ ม, ไม่ได้ก็โอ้โหหยบอย่าทําให้เสียเวลาเลยทํำยังไงก็ไม่ได้อะวัสกลราพามหาหมัดของแว้นมคตรกราบทูลพระตำหลักของพระเจ้าชาติสตูผู้เป็นใหญ่ในแว้นมคต ซึ่งเป็นโอรสของพระนางเวเทยียว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะแล้วก็เทียมยานทั้งหลายอย่างใหญ่เลยนะขึ้นยานใหญ่ๆคันหนึ่งออกจากกรุงราชเครืด้วยยานทั้งหลายที่ใหญ่ไปถึงภูเขาคิดจักรกุฎบอกโอ้ไม่ใช่ไปธรรมดาแล้วเรียกอามาตผูใหญ่ไปอันเนีน้เหมือนกับเหมือนกับรัทธบุรุษใช่ั้ยหรือเหมือนกับองค์ขมูตรีเป็นบาดานองค์ขมนตรี ถ้าไปที่ไหนเนี่ยโอ้ก็เลีกยกว่ายังกับพระยอดเป็นดินไปอันนี้ก็เหมือนกันตัวแทนพระเจ้าเป็นดินแล้วก็พอไปถึงภูเขาคิดจักรูปตลอดพื้นที่ยานไปนั้นแล้วก็ลงจากยานเดินเท้าออกไปแะไปถึงไปเฝ้าพระเจ้าเนี่ยจะเายานไปเทียมเทียบบุตริไม่ได้ต้องเดินขึ้นไป ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขันชื่นชมกับพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวถ้อยคํำน่าชื่นชมควรระลึกถึงกันอยู่ณนะด้านหนึ่งวัสการพรามณ์มหาอมาตย์ของแคว้นมคตนั่งหน้าที่ควรส่ว น, นหนึ่งก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพระเจ้าชาติศตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคต์พระโอรสของพระนางเวเทหีถวายบังคมยุคคนบาดพระ โคดมผู้เจริญด้วยเสียงกร้าวทูลถามถึงความไรพระโรคาพะถามพระพุทธเจ้าสบายดีไหมนี่เป็นต้นเนยนะความคล่องพระองค์พระกาลังทรงพระสารานค่าแต่พระโคดมผู้เจริญพระราชาชาสตูผู้เป็นใหญ่ในกานมคทโอรสของพระนางเวเทหีมีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแวนวชีเนะีพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่า เพราะพวกเจ้าวัชีทั้งหลายเหล่านั้นมีฤทธิ์มากอย่างนั้นมีอนุภาพมากอย่างนั้นเราจักถอนทําลายแคว้นวัชีจักทําวัชีให้พินาศจักทาวัชีให้ถึงความย่อยยับดังนี้เออในสมัยนั้นนะนะในสมัยนั้นน่ะท่านพระอ น, นุนยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องพระพระดิษดานของพระพระุทธเจ้าคั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระอ น, นุนเห็นไหมว่า พอวสกาลรพารรมไปถามแต่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสกับพระวสกาลราพารรมแต่ตรัสบอกกับพระอานนเพระวสกาลาพามเดินทางไปเฝ้าทูลใช่ไหมให้พระพุทธมีภาคเจ้าทราบขณะนั้นพระอนุนก็ยืนถวายงานพระอยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้าพระตถาคตก็ตรัสถามพระอานนุ์เป็นข้อๆอบอกว่าด้วยอปริหารนิยธรรม ของเจ้าวัชีเจข้อบอกว่าหนึ่งเจ้าวัชีทั้งหลายยังประชุมกันเนืองเนืองยังประชุมกันมากอยู่หรือถามบ้านนอนอย่างเี้นีคือผ้าโน น, นก็บอกข้อนี้ข้าพระ อ, องค์ได้ยินมาว่าเจ้าวชีทั้งหลายประชุมกันเนืองเนืองประชุมกันมากว่กาเจอะค่ะคือบ้านมันก็เป็นคำตอบเพราะเจ้าก็ถามบ้านนนส่วนวัสกรารธรรมก็นั่งฟังข้อที่สอง พระพุทธเจ้าก็ถามว่าเจ้าวัดชีทั้งหลายยังพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทากิจที่พึงทาอยู่หรือนเนี่ยถามนะฮะพระนนก็ตอบแล้วข้อที่สามบอกว่าเจ้าวัดชีทั้งหลายยังไม่บัญญัติข้อที่ไม่เคยบัญญัติไว้ไม่เพิกถอนข้อที่เคยบัญญัติไว้แล้วยังสมาทานวัชีทมแบบโบราณธรรมเนื ตามที่บัญญัติไว้แล้วประพฤติกันอยู่หรือถามท่านพระ น, นุนพ่า น, นุนก็รับทุกข้อข้อที่สี่เจ้าวัชีทั้งหลายยังสักการะเคารพนับถือบูชาเจ้าวัชีผู้เป็นใหญ่ผู้เท่าของวัชีทั้งหลายและยังเชื่อถือถ้อยคำที่ควรฟังของเจ้าวัชีผู้เป็นใหญ่ผู้เท่าทั้งหลายอยู่นั้นอยู่หรือโออยังเชื่อผู้ใหญ่ในตระกูลอยู่หรือเปล่าพระ น, นุนก็ตอบตามนั้น ข้อที่หเจ้าวัดชีทั้งหลายไม่ฉุดค่าคมเหงกับขังกุลสตรีและกุมารีของสกุลทั้งหลายอยู่หรือบอกเออเป็นใหญ่เป็นโตไม่คมเหงชา บ, บ้านก็าหรือเปล่าเป็นต้นแล้วก็ข้อที่6เจ้าวัดชียังสการัเคารพนับถือบูชาเจดีวัดชีทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกพานครของวัดชีทั้งหลาย และยังไม่ลดพลียประกอบด้วยธรรมที่เคยถวายแล้วด้วยการทําแล้วแก่เจดีวัชชีทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกเหล่านั้นอยู่หรือข้อสุดท้ายคือข้อที่7บอกว่าเจ้าวัชชีทั้งหลายยังจัดอารักขาป้องกันคุ้มครองประกอบด้วยดีในพระอรหันต์ทั้งหลายโดยตั้งใจว่าทําอย่างไรพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาพึงมาสู่แคว้น และพาาระลรหันทั้งหลายที่มาแล้วคอยอยู่สบายในแคว้นนั้นเถิดจะจบแล้วว่ากษัตริย์ชาววัชชีเนี่ยเนี่ยโอ้ยยังต้อนรับพาาระละหันใช่ไหมปราถนาพาาระละหันมาในแว่นแคว้นอยู่ดีหรือเปล่าอันนี้เจ็ดข้อพระนรนท์ก็ตอบรับทุกข้อว่าโอ้ยยังประพฤติวัชชีทำอยู่เนี่ยพระนรินทร์บอกว่าเจ้าวัชชีทั้งหลายนะประกอบด้วยอปริหานิยธรรมเจ็ดประการแบบสมบูรณ์เลยนะ ไม่ละเลยเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอานุนเจ้าวัดชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวย่ําหาความเสื่อมนี้ได้เลยวันนั้นเองจากนั้นนะ่ะนะก็ตรัสกับวัสกาลาพรามว่าพระองค์เคยแสดงอปิริหารยธรรมเจ็ดประการนี้แก่เจ้าวัดชีทั้งหลายด้วยในขณะที่ประทับอยู่ที่สารันทเจดีแฟนเวสาลี เมื่อตัดอย่างนี้แล้ววสกรารามได้กล่าบทูลว่าเจ้าวัชีทั้งหลายประกอบด้วยอปปริหานิยธรรมแม้ข้อหนึ่งข้อเดียวก็พึงหวังแต่ความเจริญโดยฝ่ายเดียวโดยแท้หามีความเสื่อมไม่เลยจะกล่าวอะไรถึงวัชีทั้งหลายข่าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาอาชาติศัตรูไม่ควรทากับวัชีด้วยการรบ บอกว่าโอ้เนี่ย พ, พร ะ, จจะเ จ, าจา้าชาติศัตรูไม่ควรไปลบกับวัชีเออชาวกัจฉีนอกจากจะเจราจาปองดองอนี่ยนะว่ากันเลยบอกว่าไม่ควรไปลบด้วยเว้นไว้แต่ว่าไปเจรจาปองดองสมัยปัจจุบันเขาเรียกว่าสมานเนชันใช่ไหมมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละคือปองดองนั่นอย่างหนึ่งเนี่ยและนอกจากทําให้แตกจากกันและกันใช่ไหม ข้าแต่พระองค์ผูดเจริญข้าพระองค์ทูลลาแล้วก็รับสั่งว่าท่านจงพิ จ, จนารณาเห็นการอันกวนถเรื่องกระจบตรงนี้เนี่ยเรื่องกระจบตรงที่บอกว่าข้าพระเจ้ามีกิจมากมีทุลามากบอกว่ า, างั้นแล้วก็แล้วก็กลับที่กลับเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมได้ข้อคิดแล้ว ทีนี้ไปดูในอัตถกถาในสมังคะลาวิลาสีอาาัตถกถาอัตถกถาของทีคณะกรรมารมหาวิทยไอ้ภูเขาคิดชะกูดเนี่ยที่เรียกว่าภูเขาคิดชะกูดเนี่ยนะเราไปกันมาแล้วเนี่ยเพราะมีฝูงแรงอยู่บนยอดหรือมียอดท้ายกระแรงเขาจึงเรียกว่าคิดชะกูดถ้าเราไปดูคายไหมคายแรงไหมหัวไอ้ที่บนยอดเขาอ่ะไม่ได้สังเกตใช่ไหม นีไม่ได้สังเกตที่จริงผู้นําทางก็ต้องอธิบายฟังเหมือนแรงเจ้าวัชีเนี่ยมีฤทธิ์มากพระเจ้าชาติศัตรูตรัดถึงภาวะที่เจ้าวัชีเหล่านั้นเนี่ยสามัคคีกันมีอนุภาพมากจึงตรัดภาวะที่เจ้ารัชีเหล่านั้นน่ยทรงศึกษาอะไรศึกษาหัตถิศิลปะเป็นต้นก็คือว่าคําว่ามีฤทธิ์มากเป็นต้นเนี่ยพราเจ้าวัชีเนี่ยไม่ใช่บุคคลธรรมาดา เขาฝึกฝนยุโทธปรกรณ์ฝึกฝนศิลปะอะไรต่างๆไว้มากมายมากศึกษาฝึกฝนชํานาญเช่นสามารถยิงลูกศรเนี่ยเข้าทางช่องดานทีีได้ก็ช่องรูเล็กๆเนี่ยก็สามารถยิงได้ยิงในที่มืดยังยิงทัวลูกศรที่ติดโู้ทั้งใหญ่ทั้งเล็กก็ไม่ผิดจากเป้าเลยคือบอกว่าเอาอะไรไปเป็นเครื่องหมายก็จะยิงเนี่ยโอ้โหไม่มีผิดเป้าเลย อันนั้นคือฝีมือของกษัตริย์ชาววัชีหรือทหารในแฟนนะั่นก็แปลว่าชำนาญในการลบนึ่ทีนี้ได้ยินมาว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยตรัสถึงการยึดในทุกๆอิริยาบถ ท, ทีเดียวบอกว่าจึงสั่งกองทัพอย่างนี้ว่าพวกเจ้าจงเตรียมยาตราทัพยาตราทับนบอกว่า ทรงขัดแย้งกับเจ้าวัชชีด้วยเรื่องก็หมายความบอกว่าที่จะไปบุกหรือว่าไปยึดครองแฟงวัชชีเนี่ยเพราะขัดแยง้งอะขัดแย้งยังไงคือได้ยินมาว่าตำบลเนี่ยนะตำบลปัตตานาคำตำบลหนึ่งแห่งแม่น้ํำคงคาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะตรงใกล้แม่น้ํำคงคาเนี่ยพระเจ้าชาตอาชาติศัตรูเนี่ยนะทรงมีอํานาจกลงน ย, ยอดยอดหนึ่งสิหกกิโลเมตรใช่ไหม กครึ่งหนึ่งก็คือว่าปกครองอยู่ครึ่งหนึ่งส่วนเจ้าวัชีริชวีเนี่ยนะแพ้นวัชีก็มีอํานาจอยู่กึ่งยอดคือปกครองกันก็ครึ่งไอ้ที่ตรงนั้นเน่ยนะไอ้ที่ตําบล น, นั้ น, น, นไอ้ที่เมืองนั้นเนี่ยมีสิ่งมีค่ามากตกจากเชิงเขาคือคือมีค่ามากเมื่อพระเจ้าชาติสโตทราบ ก็มีพระดำริจะยกกองทัพเนี่ยนะไปเอาของมีค่านะั้นเป็นพวกแร่เป็นพวกเงินเป็นพวกทองที่มันไหลลงมาเนี่ยนะบอกก็จะยกกองทัพไปเอาทีนี้พวกลิชวีหรือวัชเชียด้วยความสมัครสมานของเจ้าลิชวีก็ยกพลไปถึงก่อนคือเขาเรื่องความพร้อมเพียงกันนี่โอ้โหเขาเขาสมัครสมานกันมาก พอพระเจ้าชาติสรูเนี่ยยังจัดกระบวนทัรยังอะไรต่างๆเลยเขาไปเอามาเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เย็ดเอาของมีค่ า, าไว้หมดพระเจ้าชาติสโตเนี่ยนะฮะไปถึงทีหลังอ่ะทราบเรื่องอ่ะกิ้วโกรธมากตอนนี้ต่อมาในปีต่อๆมาเจ้าลิชวีก็ไปถึงก่อนอีกหละคือมันมันจะไหลมาเลยใช่ไหมของมีค่าเนี่ยเสร็จเสร็จพวกเจ้าลิชวีหมดเลย พระเจ้าชาติสโตเนี่ยถึงกับอาฆาตอย่างรุนแรงบอกว่ามีพระประสงค์บอกจะยกกองทัพไปปราบแต่ก็ทรงดำริบอกว่าเออการต่อยุติกับคณะเจ้าฤชวีเป็นเรื่องหนักนะใช่ไหมถ้าจะลบก็หนักทีนี้การต่อสู้ที่ไร้ประโยชน์แม้ครั้งเดียวก็มีไม่ได้หมายความบอกว่าเออถ้าเราไปลบเนี่ยถ้าไปแพ้เนี่ยมันก็เสียหาย เพรเราไปเมืองใหญ่ใช่ไหมอย่างอเมริกาเนี่ยถ้าเราเก็ใครเรแพ้เนี่ยโอ้โหเสียมันเสียหายไม่พอเสียหน้าด้วยเนี่ยพอาะถ้าพูดถึงความมีอํานาจแล้วเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูหรือปลายมาโคดในยุค น, นั้นอานาจคือเยอะเนี่ยการวัชีเป็นเมืองเล็กทีนี้ในปีต่อมาเจ้าฤทธิ์วีเนี่ยเนี่ยการก็เลยพิจารณาอยู่ต่อมาเนี่ย ก, ก็ปรึกษากัน ทั้งฝ่ายพระเจ้าชาตโตก็ปรึกษากับบอกเออว่าถ้าปรึกษากับบัณฑิตสักคนหนึ่งย่อมไม่พลาดเป็นแน่ทีนี้ก็พิจารณาล้วใครเล่าที่จะเป็นบัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองใครที่จะเป็นบัณฑิตยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นไม่มีนะก็เลยบอกเราจัดส่งคนไปทูลถามถ้าเราไปเองพระาศาสดาก็จะไม่ทรงตรัสกันแน่ บอกว่าถ้าเราไปเองเนี่ยพระศาสดาไม่ตรัสแน่นอนก็เลยส่งวสการลพามไปนี่พระเจเอออาจาพระเจ้าชา่างโตก็คิดในครั้งนั้นน่ยนะพระอนนก็ถวายงานพธ์เออถวายงานพัดตามธรรมเนียมมิใช่ว่าพระศาสดาจะทรงหนาวหรือทรงร้อนเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้พระเจ้าไปนั่งที่ไหนก็ร้อนหรือหนาวอย่างเงี้ยจะต้องมีพระคอยถวายงานพัดคอยพัดให้อะไรเงี้ยพระศาสด า, สดาทรงสดับครามของพามแล้วก็ไม่ ไม่ทรงปรึกษ า, าพามเนี่ยแต่กลับทรงมีพระประสงค์จะปรึกษากับท่านพระเถระคือพันธ์พานนเนี่ยแล้วก็พูดถึงบอกว่าการประชุมกันเป็นนิดเป็นต้นอะไรเนี่ยบอกว่าการประชุมการวันละสามครั้งบ้างประชุมเป็นระยะบ้างชื่อว่าประชุมกันเนืองเนืองเมื่อไม่หยุดพักวันวานก็ประชุมกันแล้วทั้งวันก่อนก็ประชุมกันแล้ววันนี้จะประชุมกันทําไมอีกชื่อว่า มากด้วยการประชุมฉะนั้นเพราะไม่ประชุมกันเนืองๆก็ไม่ได้ฟังข่าวที่มาจากที่ต่างๆเพราว่างั้นฉะนั้นการประชุมกันเป็นเรื่องเดี๋ยวนี้เป็นหลักการปกครองเลยนะที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีการประชุมกันเนืองๆเนี่ยเจริญทุกที่เพราะว่าถ้าไม่ได้ประชุมกันเนืองๆก็ไม่ได้วางข่าวที่มาจากที่ต่างๆก็ไม่รู้เรื่องว่าวุ่นวายที่เกิดขึ้นความวุ่นวายที่เกิดขึ้น จากแขตเขตบ้านบางเขตเมืองโน้นบ้างโจรมั่วสมที่โน้นบ้างแม้เราโจรก็รู้ว่าพวกเจ้านะ่พากันประมาทจึงปล้นบ้านบ้างมนิคมต่างๆเป็นต้นบ้างนี่นะทำชนบทให้พินาศพวกเจ้าย่อมเสื่อมด้วยประการอย่างนี้นันบรรดาพวกเจ้าเมืองทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ประชุมกันเนืองนิดก็จะเสื่อมแต่เมื่อมีการประชุมกันเนืองๆนะ รู้ข่าวนั้นก็จะส่งกำลังไปปราบฝ่ายที่ไม่ใช่มิรแม้โจนทั้งหลายรู้ว่าพวกเจ้าพวกเจ้าปกครองไม่ประมาทพวกเราก็ไม่อาจที่จะคมกันเป็นหมู่เที่ยวไปได้แล้วก็หนีไปทั้งฉะนั้นแฟนนั้นก็จะถึงความเจริญงอกงามฉะนั้นการประชุมกันเนืองนิดเนี่ยจึงมีประโยชน์ด้วยประการอย่างนี้ส่วนบทว่าวิริชัยว่าสมักคาที่แปลว่าเมื่อกองเรียกประชุมลั่นขึ้น สมัยก่อนเขาตีกองใช่ไหมมางแห่งเขาใช้ตีระฆังแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ใช้อะไรใช้หนังสือเวียนเรียกประชุมเรียกประชุมพวกเจ้าฤาษีก็ทําการบ่ายเบียงสมมุตินะถ้าไปบ่ายเบียงบอกว่าวันนี้มีกิจวันนี้มงคลดังนี้ชื่อว่าไม่พร้อมเบียงกันประชุม บอกว่าวันนี้ไม่เป็นมงคลวันนี้เป็นมงคลอะไรต่างๆไม่ควรประชุมเป็นต้นเหล่านี้แต่ทอได้ยินเสียงกรองกําลังกินกันอยู่ก็ดีกําลังแต่งตัวกันก็ดีกำลังนุ่งผ้ากินได้ครึ่งหนึ่งก็ดีแต่งตัวได้ครึ่งหนึ่งบ้างก็เข้าประชุมกันคือรีบเลยได้แต่ยินกองประชุมลั่นกันมาเนี่ยโอ้โหไม่โมวแล้วไม่โมัวอกโอโเราจะต้องแต่งตัวสาสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งไม่ต้องแล้วรีบประชุมเลยเนี่ย อย่างนี้เ็าเรียกชื่อว่าพร้อมเพียงกันประชุมส่วนเข้าประชุมกันแล้วก็คิดปรึกษากันทำกิจที่ควรทำไม่เลิกพร้อมกันชื่อว่าไม่พร้อมเพียงกันเลิกประชุมเออเลิกประชุมก็ต้องเลิกพร้อมกันด้วยนะก็เมื่อประชุมกันแล้วก็พวกที่ไปก่อนมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเราได้ยินพูดแต่เรื่องนอกเรื่อง บทนี้จะพูดเรื่องที่มีข้อยุติกันแต่เมื่อเลิกพร้อมกันก็ชื่อว่าพร้อมเพียงกันเลิกแล้วมันจริงๆนะว่าสมมติว่าเอ้าเลิกไม่พร้อมกันอีกกลุ่มนึงนั่งคุยกันอยู่เดี๋ยวแตกกค่นี <c oughs> <c oughs> ้เวลาเลิกเขาก็ <c oughs> เขาก็พร้อมเพียงกันเลิกก็หลักกการบุคคลของพระพุทธเจ้าบอกไว้ ตามที่ต่างๆไม่ค่อยเอาคําสอนของพระเจ้าไปบริหารกันนะอันหนึ่งได้ยินมาว่าความวุ่นวายหรือโจรมั่วสุมกันแต่เขตบ้านหรือนิคมในที่โน้นเป็นเมื่อไต่ถามกันว่าใครจักไปทําการปาดปามฝ่ายที่ไม่ใช่มิตรลั่งต่างชิงกันอาสาพูดว่าฆ่าก่อนฆ่าก่อนเป็นต้นเราเนี้ยเนี้แล้วก็พากันไปด้วยดีชื่อว่าพร้อมเพียงกันเลยก็หมายความบอกว่า ถ้าเสนอเรื่องราวงานการต่างๆให้ให้ทำมเสนอยกมือขึ้นมาใครก็อยากจะรับอาสาอย่างนี้ก็เรียกว่าพร้อมเพียงกันเรียกพร้อมเพียงแต่เมื่อฝ่ายการงานของเจ้าองค์หนึ่งต้องงดไปเหล่าเจ้าที่เหลือก็ส่งบุตรหรือพี่น้องไปช่วยการงานของเจ้านั้นก็ไม่พูดกับเจ้าผู้เป็นอาคารดุกา่นั้นว่าโปรดสสเสด็จไปวางของเจ้าองค์โน้นเถิด หากสงเคราะห์พร้อมกันทั้งหมดก็ดีและเมื่องานมงคลโรคหรือสุขทุ ก, <c oughs> ทกข์เช่นน <c oughs> ั้นอย่างอย่างอื่น <c oughs> เกิดขึ้น <c oughs> แก่เจ้าองค์นั้นก็พากันไปช่วยเหลือในเรื่องนั้นทั้งหมดก็ดีเชื่อว่าพร้อมเพียงกันทากิจที่ชาววชีพึงดังเช่นว่าถ้าเจ้าเขาปกครองกันแบบว่าเป็นเป็นคณะนะ เ, เป็นระบบสามมาคีทำมันเหมือนกับคณะราฐมณฑลอย่างเนี้ย ถ้ามีคณะรัฐมนตรีคนหนึ่งเกิดมีกิจมีธุระหรือว่าเจ็บป่วยขึ้นมาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไปช่วยงานกันทุกวันนี่นะวันก่อนก็ฟังท่านที่สนองงานพระเยสพระเยซเนเดนเนี่ยพูดท่านก็บอกว่า เออท่านท่านจัดการทํางานเนี่ยในในพระราชวังน่าจะในส่วนจิตเลยนะบอกว่างานเนี่ยปกติถ้าข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นกรมกลองอยูม่มันจะเป็นกระทรวงนั้นกระทรวงนั้นกรมนั้นกรมนี้นมนแม้จะอยู่ในกระทรวงเดียวกันก็แยกงานกันโตติดกันก็ก็ไม่คุยกันไม่ใช่หน้าที่ก็าบอกการทํางานในลักษณะอย่างเงี้ยมันขาดขาดหลักการ สามัคคีกันไอ้คำว่ารู้รักสามัคคีมันเรื่องรู้กันก็อธิบายบอกว่าหมายถึงความรอบรู้หมายถึงสติปัญญาหมายถึงอะไรต่งงางๆเหล่านี้เนะี่ยรักในที่นั้นเป็นชื่อของเมตตาสามัคคีก็หมายความบอกว่าไม่แบ่งพวกั้นสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้หมดเขาก็จัดว่าว่าแม้ในสามารถที่จะไม่พอเข้าไปในนั้นแล้วไม่ต้องไปบอกว่ามาอย่ากลมนั้นทุกคนเน่ย เป็นพวกเดียวกันหมดเลยคือเขาละลายพฤติกรรมที่บอกว่าพวกไอ้บ้านใครบ้านมันเนี่ยละลายพฤติกรรมหนึงน่งแต่พอออกมาพอใครเข้าไปก็บอกว่โอดีมากโครงการนี้ดีมากออกมาก็แบ่งกัวกันอีก <c oughs> วัดชีนี่นะที่จริงเนี่ยในหลวงท่านสื่อสารว่าทําอยู่แล้วใช่ไหมท่านก็เอาตรงเนี้ยไปใช้พร้อมเพียงกันทํากิจที่ชาววัดชีเบืงดัง ส่วนอีกบทหนึ่งก็บอกว่าอปัญยะตังก็แ ป, แปลแปลว่าไม่ตั้งภาษียากรหรือพรีอาชยาที่ไม่เคยทําชื่อว่าไม่บัญญัติข้อที่ไม่เคยบัญญัติไว้ก็แปลว่าไอ้เกี่ยวกับ ว, ว่ากําหนดภาษีขึ้นมาคูดรื่เนี่ยประพฤติข้อที่มาโดยโบราณประเพณีชื่อว่าไม่ถอนข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว ก็แปลว่าอะไรที่มันเคยเป็นประเพณีประพฤติปฏิบัติกันมาเนี่ยไม่ถ่ายถอนไม่เพิกถอนไม่ใช่เดี๋ยวล้มล้างเดี๋ยวล้มล้างกันอยู่เนี่ยนะโอ้ใช้ได้สองปีสามปีล้มเลิกสองปีสามปีล้มเลิกเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าไปถ่ายถอนบัญญัติของโบราณอาา์ที่เขาก็ททำกันว่าเมื่อบุคคลถูกเขาจับมาแสดงว่าเป็นโจรเนี่ยนะ ผู้มีหน้าที่เนะี่ยไม่ยอมวินิจฉัยกับสั่งลงโทษโดยเด็ดขาดเลยเนะี่ยอันนี้ชื่อว่าไม่ถือว่าชีธรรมอันนี้เนะี่ยไม่ไม่ถือว่าชีธรรมไม่ถือว่าชีธรรมของโบราณโดยหลักการก็คือว่าเมื่อเจ้าเหล่านั้นอนะ่ะบัญญัติข้อที่ยังไม่บัญยัติพวกผู้คนที่ถูกบีบคั้นด้วยภาษีใหม่เป็นต้นรู้สึกว่าเราถูกบีบคั้นใครจักอยู่ในแคว้นของเจ้าเหล่านั้น เขาบอกว่าประชากรทั่วๆไปเนี่ยนะลองตั้งเพดานภาษีขึ้นมามากๆสูงๆเนี่ยในที่สุดจริงๆเนี่ยทุกคนก็ไม่อยู่ก็ไม่อยากอยู่พอไม่อยู่แล้วก็จะพากันไปชายแดนเนี่ยนะนะข้าวก็เป็นโจนบ้างตั้งพัคพวกขึ้นมาบ้างปนฉดสะดมเป็นต้นเหล่านี้บ้างอันนี้เป็นอย่างนั้นนะหลักการบกครองเนี่ยไม่ว่าในตำบลใดอำเภอใดบ้านใดเมืองใดเนี่ย ลองลองมีกติกาที่ไม่เป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยนะในที่สุดจริงๆเขาก็ไปตั้งก๊กเหล่าแล้วก็มาต่อสู้กับอำนาจละเขาต้องบอกว่าอุ้ยอย่าทำใช่ั้ยแล้วก็เมื่อพวกเจ้ายกเลิกข้อที่บัญญัติไว้แล้วเช่นไม่เก็บภาษีเป็นต้นเนี่ยนะเออถ้าไอ้ภาษีไอ้เกี่ยวกับกติกาต่างๆเนี่ยที่เขาตั้งกัาไว้ก็ไปยกเลิก ที่มีมาที่มีที่มีมามีมาตามประเพณีเรือนคังก็จะเสื่อมแต่นั้นกองทัพช้างกองทัพไม้และไพร่พลเมื่อไม่ได้วัตถุเนืองนิดเหมือนพนักงานต้นห้องเป็นต้นก็จะเสื่อมกำลังใจและก็กำลังกายพวกเขาก็ไม่ควรที่จะลบหมายความบอกว่าถ้าถ้าไม่เก็บภาษีอกรก็เย่ในที่สุดจริงๆพวก กองกําลังทั้งหลายเนี่ยก็หมดแรงไม่อยากทํางานเดียร์เหมือนเหมือนลูกน้องเลยเรก็โอ้โหสิบปีแล้วไม่มีการพิจารณาเงินเดือนสักทีเลยเนี่ยชักชักอื่นแล้วนะสิบปียี่สิบปีแล้วเนี่ยแล้วเวลาพิจารณาค่าเงินเดือนก็มีอยู่กระจุกเดียวที่ขึ้นเ <c oughs> ข้าใจไหมแต่เราก็อ๋อแล้วงานไม่เดินกันแล้วปะท้วงกัน ไม่ควรบำรงไม่ควรจะบำรุงได้เมื่อไม่ยึดถือวชีธรรมโบราณผู้คนก็จะพากันถือความโกรธว่าพวกเจ้าทำบุตรบิดาพี่น้องของเราผู้ไม่เป็นโจรว่าเป็นโจรทำลายกัน mm hmm. ก็จะพากันไปชายแดนเป็นโจรพ้นสะดมเป็นต้นก็เสื่อมด้วยอาการอย่างนี้แต่เมื่อพวกเจ้าบัญญัติข้อที่บัญญัติแล้วพวกผู้คนก็จะพากันร่าเริงยินดีว่า พวกเจ้าก็ทําแต่ข้อที่มาตามประเพณีดังนี้แล้วต่างก็จะทําการงานต่างๆให้เกิดผลสมบูรณ์เมื่อไม่เพิกถอนข้อที่บัญญัติไว้แล้วก็เก็บภาษีเป็นต้นที่มาตามประเพณีเรือนคังก็เจริญแต่นั้นทับช้างทับมา้าไพ่พนอะไรต่างๆเหล่านี้นะกองกําลังต่างๆเหล่านี้เมื่อได้วัตถุเนืองนิดก็จะสมบูรณ์ด้วยกายด้วยใจและควรแก่การลบบอกเหมยอย่างนี้ห้าวหาญมาก ในบทต่อไปบอกว่าวินิจฉัยคำว่าโบราณนางวชีทำมังเป็นต้นพวกเจ้าวัชีแต่ก่อนเนี่ยเมื่อจับคนมาแสดงว่าผู้นั้นเป็นโจรเนี่ ย, ยวิธีสอบสวนเขินค่อนข้างที่ไ เ, เออถ้าลองดูว่าในโบราณเนี่ยในแคว้นวชีเนี่ยนะแคว้นวัชีที่พระพุทธเจ้าไปจำภาหาสุดท้าย แล้วที่อยู่ติดกับกรุงกุศินราที่เมืองที่พระพุทธเจ้าไปเสด็จดับขันธปริญญานี่พวกเจ้าวัดชีทั้งหลายในเมืองเวสารีเนี่ยเขาตัดสินคดีความกันยังไง ร, ระบบนิติรัฐของเขาเนี่ยระบบศาลของเขาเ็เป็นอย่างไงเวลาเขาได้โจรมาหรือได้คนกระทำความผิดมาเขาก็ให้ม้าหมาดฝ่ายม้าหมาดฝ่ายสอบสวนเน่ย ฝ่ายอมาตเหล่านั้นก็ทําการสอบสวนถ้าหากไม่ใช่โจรก็จะปล่อยแต่ถ้าเป็นโจรเนะยก็ไม่พูดอะไรด้วยด้วยตนเองถ้ารู้ว่านี่เป็นโจรก็มอบให้มหาอมาตฝ่ายพิพากษาวินิจฉัยนี่ขั้นตอนหนึ่งแล้วเนี่ยขั้นแรกพ่รู้ว่าเป็นโจรเนี่ก็ตัดสินเลยแต่ถ้ารู้ว่าไม่ไม่เออถ้ารู้ว่าไม่เป็นโจรก็ปล่อยถ้ารู้ว่าเป็นโจรเน่ยก็ยังไม่ตัดสินเลยก็ปล่อยให้มหาอมาตฝ่ า, ายฝ่ายพิพากษาวินิจฉัย ถ้าไม่ใช่โจร น, นะขั้นตอนที่สองมสอบสวนอีกถ้าไม่ใช่โจรก็ปล่อยตัวไปถ้าเป็นโจรละก็มอบให้มหาหมาดฝ่ายลูกขุนวินิจฉัยหากไม่ใช่โจรก็ปล่อยตัวไปถ้าเป็นโจนกมมรก็มอบให้มหาหมาดแปดตระกูลวินิจฉัยเขาจะมีมหาหมาดใหญ่แปดตระกูลนอกจากลูกขุนวินฉัยแล้วนะยังให้มหาหมาดแปตระกูลวินฉัยแล้วก็มอบแล้วก็มอบให้เสนาวดีมอบให้หมาตด แล้วก็เสียนามดีก็มอบให้อุปราชอุปราชก็ถวายเดี๋ยวบรรลัชา ว, วินิจฉัยนี่เป็นขั้นตอนอย่างนี้นะหลายขั้นตอนมากใช่ไหมในการวินิจฉัยคดีความต่างๆหากไม่ใช่โจรก็ปล่อยตัวไปถ้าเป็นโจรก็จะโปรดให้เจ้าหน้าที่อ่านคมภีกฎหมายประเพณีและคำพีกฎหมายนั้นก็เขียนไว้ว่าผู้ใดทําผิดความผิดข้อนี้ผู้นั้นจะต้องมีโทษชื่อนี้อ่านคำภี พระราชาก็ทรงทําการกระทําผู้นั้นมาเทียบกับตัวบทกฎหมายนั้นแล้วทรงลงโทษตามสมควรแก่ความผิดนั้นดังนั้นเมื่อพวกเจ้าเนี่ยยึดถือวัชีธรรมโบราณเนี่ยพวกคนทั้งหลายย่อมไม่ติเตียนพวกเจ้าทั้งหลายย่อมทํางานตามประเพณีโบราณย่อมไม่มีโทษเจ้าทั้งหลายก็ย่อมเจริญด้วยอาการอย่างนี้ เห็นไหมว่าการตัดสินคดีความของเขาเนี่ยบของเขาชัดเจนไหมไม่ใช่ว่าของเราเนี่ยทุกวันนี้เราตัดสินกันอะไรชั้นต้นชั้นอุทธรชั้นดีกาอยู่ไหมถ้าหากว่าไม่ถูกใจก็ดีกาก็คล้ายๆเห็นไหมก็คล้ายๆลักษณะอย่างนี้บทว่าสักกโรณติ แก่เมื่อกระทําการสักการะแก่เจ้าวชัชีทำแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมกระทําแต่ดีๆเท่านั้นก็คือว่าเวลากระทาสักการะเนี่ยนะก็กระทาแต่ดีๆไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีบทว่าคารุกรนติได้แก่ว่ากระทาความเชิดชูด้วยความบนผู้เคารพ บ, บทว่ามาเนนติได้แก่รักด้วยใจ มานะเนี่ยก็เรียกว่ารักด้วยใจรักด้วยใจเนี่ยเป็นชื่อของมีความเมตตาเนี่ยส่วนบทว่าปูเชนติก็ได้แก่การแสดงความนอบน้อมส่วนบทว่าโสตพังมัญติไปปนนิบัติวันละสองถึงสามครั้งอันนั้นคือการอย่างเขาเรียกว่าไปเขาลบไปสาการะไปบูชาเนี่ยก็วันละสองสมครั้ง ย่อมสําคัญถ้อยคาของเจ้าวชีเหล่านั้นจึงควรฟังควรเชื่อชนเหล่าใดไม่ทําสกาละแก่เจ้าผู้เท่าผู้แก่อย่างนี้และไม่ไปปนนี้บาดเจ้าเหล่านั้นเพื่อฟังโอวาทชนเหล่านั้นถูกเจ้าเหล่านั้นสลัดทิ้งไม่โอวาทฝ่ายใจแต่เล่นก็ย่อมเสื่อมจากความเป็นพระราชาคืออย่างนี้พระราชาที่เป็นราชกุมารทั้งหลายเนี่ย ่ที่เป็นยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยก็จะเข้าหาเจ้ารัชทีที่เป็นผู้เท่าไปสักการะไปบูชาไปเคารพแล้วก็ไปนวดเป็นวันละสองหรือสามครั้งเพื่อจะรับฟังโอวาทถ้าหากว่าใครไม่ไปผู้เท่าท่านก็จะลงโทษ ด, ด้วยการไม่ว่ากล่าวไม่ดักเตือน การไม่ว่ากล่าวไม่พูดด้วยมีดักเตือนเนี่ยถือว่าเป็นการลงโทษการลงโทษในลักษณะนี้เอาไปเอาไปจากไหนเอาไปจากคําสอนของพระพุทธเจ้าการลงโทษในพระศาสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าการไม่พูดด้วยชื่อว่าเป็นการลงโทษในอริยวินัยนี่ลองเอาไปใช้ดูบ้างถ้าเราจะไม่เราจะลงโทษลูกเนี่ยนะ ก็นิ่งไม่ว่าไม่กล่าวไม่นะไม่ตักเตือนอยากจะทําอะไรก็ปล่อย <_ S 1> เขาดีใจไหมแบบนี้ไม่เราเขาก็น้อยใจโอ้โหนะไมแม่ไม่พูดกับเราพ่อไม่พูดกับเราหน่าป้ า, าทำไมไม่พูดกับเราเราอยากทําอะไรก็ปล่อยเราหมดเลยไม่พูดด้วยเลยอันนี้เป็นการลงโทษที่เจ็บ ป, ปวดที่สุดนะีอย่าลืมดูเอาที่อยากทําอะไรแต่ว่าเขาทิ้งแล้ว แล้วก็หมดโอกาสที่จะได้เด็ดได้ดีแล้วจนกว่าจะสำนึกผิดมาขอขามาลาโทษเนะ่ยวิธีนี้ไม่ต้องลงทุนมากใช่เพียงแต่ว่าทำใจให้หนักแน่นหน่อยอย่าอย่าใจอ่อนไม่อช่้เขากอดหน้ากอดหลังนะเหมืออดหัวเราะไม่ได้เสียเสียหายเลยยังมันพิสได้วิธีการอบรมแล้ว นี่ก็เรียกว่าปฏิบัติเจ้าผู้เป็นผู้เท่าย่อมสอนประเพณีโบราณแก่เจ้าเหล่านั้นว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรทําเนี่ยนะแม้นนสมัยสงครามก็ควรเข้าไปรับโอวาทปฏิบัติตามโอวาทย่อมสามารถดํารงประเพณีไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นกำลังรบทัพจับศึกเป็นต้นเหล่าเนี้ยการรับฟังโอวาทนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคนที่ร่วมการผ่านวัยมามากเนี่ย เป็นคนที่น่าเข้าหาคนทุกวันนี่โดยมากจะไม่ค่อยเข้าหาคนแก่คนเท่ากันนะฉะนั้นถ้าคนแก่คนเท่ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าในหลวงเยเวลาเสด็จไปตามที่ต่างๆนเนี่ยคนนั่งกันเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยนะถ้าใครแก่ที่สุดนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านจะเสด็จไปหาท่านผูนั้นแล้วก็จะไปสอบถามถือว่าเป็นผู้เท่าเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนั้นในในที่นั้นนะแล้วก็จะได้ข้อมูลเยอะ เขาจะรู้หมดว่าเออที่แต่ก่อนตรงนี้เป็นยังไงยังไงยังไงเขาเล่าได้หมดแหละเล่ารายละเอียดด้วยนี่เป็นอย่างนี้บทว่ากรัถิโยได้แก่ว่าหญิงแม่เรือนของตระกูลบทว่ากุลมากุลกุมาริโย um ได้แก่ทิดาเขาหญิงแม่เรือนเหล่านั้นทีนี้ผู้ที่ยังไม่เป็นอิสระ หมายความว่ายังไม่ออกจากบีดามารดาดูแลนั่นแหละเขาเรียกว่ากุมารบ้างเรียกว่าทิดาบ้าง เ, เนี่ยนบทว่าอกกักษะก็แปลว่าฉุดฆ่าบทว่าปะสายหานี่ก็แปลว่าข่มขืนสราบว่าปะสัยหานี่มาจากแปลว่าข่มขืนข่มคืนเ น, นี่มันข่มคืนทั้งร่างกายแล้วก็ข่มขืนทั้งจิตใจนี ก็เจ้าเหล่านั้นกระทำอย่างนั้นคือการมีการข่มคืนมีการฉุดฆ่าพวกที่อยู่ในแคว้นเหล่านั้นก็จะพากันโกรธแล้วก็พากันไปชายแดนเป็นโจนโยมดีชนบทแต่เมื่อไม่กระทำอย่างนั้นเนี่ยพวกผู้คนในแวนแคลนก็จะทำการงานของตนย่อมทำให้คลังหลวงนเนิเจริญเขาบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองหรือว่าคนของรัฐเองเนี่ย ไปกระทํำมิดีมิร้ายใช้อํานาจราชศักดิ์ในการข่มเหงหลังแกภรรยาของชาวบ้านหรือกุลธีดาของชาวบ้านลูกของชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเนยที่โสดจริงๆเขาจะกดแข็งเจ้าหน้าที่เมื่อโกดแข็งเจ้าหน้าที่มันเคยมีนะเคยเป็นปัญหาบานไปถึงกับการยกทัพจับศึกกันมากับเรื่องปัญหาลักษณะอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่ามีเจ้าวัชชีก็วัชชีก็ไม่ทำกัน พอไม่ทำอย่างนี้เมืองก็จะเข้าถึงความเจริญใช่ไหมบอกว่าวัชีนางวัชีเตติยตายตเจติยานิก็แปลว่าสถานที่ยักษ์ได้นามว่าเจดีเพราะอาตรว่าเข้าไปทําไว้อย่างงดงามในแว่นแควนของพรกเจ้าวัชีก็บอกว่าจึงอยู่เนี่ยเมื่อเจ้ารัตวัชีทั้งหลายทําพิกรรมพรีกรรมคือการบูชาเนีที่ชอบทำ แกเทพพยาดาผู้ไม่กระทำลกขาที่เขาจัดไว้อย่างดีทั้งไม่สามารถที่จะยังทุกข์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำโรคไอโรคหือโรคศึกษาเป็นต้นที่เกิดขึ้นแล้วให้ให้กำเริ่มข้หมายความบอกว่าบูชาเทวดาเหมือนกับสารหลักเมืองเงนี้ยนะเทวดาประจำอย่างเนี้ยขัในในวชีธรรมเนี่ยนะเออในแฟนวชีเนะี่ยเขาจะมีคล้ายๆเป็นสารหลักเมืองอย่างเนี้ย เป็นเจดียด์ใหญ่เขาก็อัญเชิญเทวดาใช่ไหมเทวดาผู้ใหญ่ทั้งหลายบอกว่าเอามาปกครองบ้านเมืองหนึ่งเหมือนทุกวันนี้ที่กําลังดังกันคืออะไรท้าเจโตคามรามเทพไอ้ที่ดังนั้นดั ง, ดงยังไงรู้ไหมคือจริงจริงเนี่ยท้าเจโตคามเนี่ยเป็นเทวดาที่รักษาพระพธาตุที่นครศรีธรรมราชคือโบราณเนี่ยนะเวลาเขาสร้างพระธาตุเข้าไว้เขาก็อัญเชิญเทวดามาปกปักรักษา ก็เพื่อจะคุ้มครองพระธาตุไม่ให้มีโจรหรือพวกคนที่จะมาทำลายพระธาตุแล้วก็ยัปกป้องคุ้มครองเวลามาคนมาสักการะมาบูชาก็คุ้มครองท่านเหล่านั้นด้วยและด้วยอนุภาพของพระธาตุด้วยอย่างนี้เป็นต้นหล่านี้นี่อยู่ต่อมากุนพันเนี่ย <c oughs> ใช่ไหก็ไปอัญเชิญเท้าเจดูคมเนี่ยไปอัญเชิญไ ป, ไปไปไหว้ที่ศาลหลักเมือง แล้วก็ไปตั้งเป็นเทวดาประจําศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชใช่ไหมก็เลยเป็นเทวดาประจำํำนครศรีธรรมราชก็ไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมพอ ป, ปีสามศูนย์ก็เลยทําเหรียญเยท้ขขาจิตรคามไม่ใหม่หมก็ไม่มีอะไรมากนี่บอกอย่างว่าหนังสือเนี่ยนะสังเราจะเห็นเกรติได้คําว่ามงคนตื่นขา่าวเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเสียคือตรงเนี้ย คำว่ามงกลดื่นข่าวเนี่ยแปลว่าถ้ามีข่าวอะไรขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนเนี่ยเนี่ยก็จะขาดวิจารณาญาณขาดสติปัญญาไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีปัญญาอะไรกันที่จะไปวิเคราะห์พิจารณาใครควรและสักเท่าไรเราคือกระแสะอะไรมันขึ้นมาเนี่ยก็เอาไว้ก่อนระหว่างั้นเถอะถ้าเขามีเราก็มีเขามีก็มีเต็บไป้หมด เ, เ, เด็กๆเล็กๆนั่นสมกับเด็กที่ไหนเหรียญขนาดนี้ เด็กไปค้องแ ม, ม่แทบจะเดินออกกับล้มใช่ไหมมงคลตัวก็พร้อมนิดเดียวเด็กค้องโอ้ทั้งๆ ท, ที่มันดูไม่ดีเลยเนี่ยเดี๋ยมันยกหนึ่งสมัยเนี่ยมันดีใช่ไหมเชื่อไหมว่าไปอีกสมัยหนึ่งเขากลับมาดูเขาข่อมกันกลิ้งเลยเนี่ยเขาจะข่อ ม, มากโอ้โหไปค้องอะไรก็ไม่รู้เช่อไหมจ้านี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามงคลตื่นค่ะไม่ได้ดีหรือไม่ดีนะนเพียงว่า กระแสอะไรเนี่ยเยพอมันมาไประยะก็จะไปอย่างนี้แล้วค่อยๆก็จะหายไปมันไฟไม่วางเนีน่เดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องอื่นขึ้นมาเรื่อยๆ อ, อย่างนีน้ก็วนๆอยู่เดี๋ยวนี้มาวิ่งไปทําสุพานตรงไหนไม่ติดป้ายเลยแล้วมีการเช่าเหรียญเจดีย์ทองคเรามาเที่วันก่อนไปไหว้พระธาตุยังมีคนจะมาให้ผม เ, เอาคนบอกว่าท่านเช่าไว้ก็เอา บอกมันนากเยอะไม่ไหวง่วงแล้วเกลียดถือเยะนี่ลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่าเกี่ยวกับในเรื่องของว่ากระทาการงานแล้วก็ขึ้นความจเจริญส่วนอีข้อหนึ่งไอ้ลักษณะก็เรียวกว่า บ, บูชาวัชีนางวัชีเจติยานิ ก็แปลว่าบูชาบูชาเจดีย์ที่เป็นที่สการะคารวบบูชาของเมืองนั้นๆทุกวันนี้แต่ละจังหวัดก็มีเจดีย์แล้วก็มีไอสารก็มีสารหลักเมืองใช่ไหมสุพรรณบุรีก็มีที่กรุงเทพก็มีที่ทุกจังหวัดแล้วก็จะมีสารหลักเมืองหมดเลยอันนั้นเขาเรียกว่าให้บูชาเทวดาที่ประจําำรักษาเมืองนั้นก็นน ก็มีชื่อแตกต่างกันทุกคนถ้าถามบอกว่าเทวดาเหล่านั้นมีจริงไม่จริงไม่ใช่ไม่จริงนะจริงอันนั้นก็เคารวบูชาถ้าไม่เคารวบูชาตรงนี้เนะยในที่สุดจริงๆก็คือว่าเทวดาอารักษ์ทั้งหลายก็จะโกรธบ้านนั้นเมืองนั้นจังหวัดนั้นก็ไม่ค่อยมีความสุขเลยก็จะเป็นอย่างนั้นแต่บูชาเขาบูชาแบบมีเหตุผลนะ ไม่ใช่บูชาแบบงมงยเขามีเหตุผลในการบูชาเป็นข้อบ่งบอกว่าหนึ่งเขาเขาไม่ลบลุกเขานอบน้อม บ, บูชาเทวดาที่มีศักย์ใหญ่ในการปกปักอารักษ์คือว่าคนมีปัญญาใช่ไหก็รู้ว่าสิ่งที่เราไม่สามารถต่อกรกับท่านได้ก็เอามาเป็นพวกเอามาปกปักคุ้มครองตัเองสก็มีความสุข วิจีใช้บว่าทำรรมิการากขาวันนะคุติก็แปลว่าชื่อว่าอาววรณะอาววรณะเนี่ยพื่อป้องกันโดยประการที่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาจะมาถึงเขาเรียกอาววรณะก็แปลป้องกันนะสิ่งใดๆต่างๆที่มันไม่น่าปรารถนาเนี่ยอย่าให้มาถึงอย่าให้มากล้ามกลายเป็นตัวส่วนคุติพราะคุ้มครองโดยประการที่สิ่งซึ่ง ปรารถนามีอยู่แล้วจะไม่เสียหายก็หมายก็ส่วนคำว่าเชื่อรักขารักขากับคุตติก็อันเดียวกันน่ก็คือการคุ้มครองการล้อมรักษาด้วยกองเพลิงไม่ชื่อว่าธรรมิกาอารักขา ว, วรนาคุตติเพื่อบรรพชิตแต่การกระทาโดยที่ไม่ตัดต้นไม้ในป่าใกล้วิหารไม่จับเนื้อด้วยตะขายไม่จับปลาในสระโบกกรณีชื่อว่าธรรมิการักขาวรนาคุติ คือเจ้าวัดชีเหล่านั้นไม่ปรารถนาการมาการมาของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาเจ้าวัดชีเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่เรือมใสมันประชิดเป็นต้นเหล่านี้คืออย่างนี้นะว่าเจ้าวัดชีทั้งหลายเนี่ยนะวัดชีเนี่ยเขาในป่านเนี่ยคือบ้านเมืองต่างๆเนี่ยอย่างเช่นว่าต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้บ้านใกล้วิหารใกล้ที่ต่างๆเหล่านี้เขาก็ไม่ทําลาย เขาไม่ทำลายเออเขาปล่อยให้ดูแลให้ดีด้วยและอย่างก็คือถ้าเป็นสาบโบวารนีสาที่เป็นหน้าเล่นลมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีปลามีอะไรต่างๆเขาก็ไม่จับาง่ายๆคือสาในวดัดเขาไม่จับปลาไปกินอย่างนี้เป็นต้นเนียหรือสาในสาธารณะที่ต่างๆเหล่านี้เออเาก็าเอาไปไว้เออเป็นที่ทำบุญที่ให้ทานเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ ถ้าหากว่าเจ้าราชีเนี่ยบอกว่าไม่ปรารถนาการมาของพระอรหันต์ที่ยังไม่มาแล้วก็ไม่มีความเมื่อพระอรหันต์มาแล้วก็ไม่อยากจะดูแลคุ้มครองเป็นต้นก็ไม่เครียดไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสบรัณฑิตที่มาถึงแล้วก็ไม่ไปต้อนรับไม่ไปเยี่ยมไม่กระทําปฏิสันถานไม่ถามปัญหาไม่ฟังธรรมไม่ให้ทานไม่ไปฟังอนุโมทนาเป็นต้นเหล่าเนี้ยไม่จัดที่อยู่อาศัยเมื่อเป็นเช่นนี้ เสียงตีเตียนเจ้าวัดชีเหล่านั้นก็จะกระชอนไปเห็นไหมบอกว่ายังในภาคใต้เนี่ยถ้าหากรัฐเนี่ยนะปล่อยให้วัดถูกลุกลานแล้วไม่ไปดูแลไม่ไปคุ้มครองไม่จัดทหารไปอารักขาไม่จัดข้าวปลาอาหารไปถวายอยเงี้ยเดี๋ยวเสียงเสียงก็กระชอนนะครับนะครับพระอยู่ตามในวัดในว่าไม่ได้ต้องหนีอย่างว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยเขาเขาตำํำหนิเสียงกระชอนมันไม่ได้ดังเฉพาะในประเทศมันจะดังออกนอกประเทศเลยขนาดว่าท่านผู้ไม่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นโทษแก่ใครยังอยู่ไม่ได้ท่านเหล่านี้โอาหูไปนะาวตาไปไล่อย่างเงี้ยนะไม่ปกปักไม่คุ้มครองไม่ดูแลยอย่างเงี้ยเสียงลือก็จะกระชอนนี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเสียงตีเตียนก็กระชอนว่าเจ้าลัชีนู้นไม่เชื่อไม่เลื่อมใส ไม่ศรัทธาไม่ให้ทานไม่ฟังอนุโมทนาไม่สอบถามปัญหาเป็นตัวเหล่านี้ไม่จัดที่อยู่อาศัยบรรพชิตแล้วก็เหล่านั้นแล้วแม้ผ่านทางประตูมรคกของเจ้าองค์นั้นก็ไม่เข้าไปในพระกรเจ้าออนั้นเหล่าพระอรหันต์ที่ยังไม่มาก็ย่อมไม่มาด้วยประการนต่อไปไม่มีพระไปอยู่ พระอรหันต์ก็ไม่อยากมาโอ้ไม่อยากไปล้วไปแล้วเป็นเหตุทําให้เขาเป็นโทษเป็นอะไรต่างๆอย่านี้ก็เลยไม่มาเมื่อไม่มาก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะเสียประโยชน์ด้วยอันเนี้ยบอกว่าเสียหายเมื่อที่อยู่อย่างผาสุกสําหรับพระอรหันต์ที่มาแล้วไม่มีแม้เหล่าพระอรหันต์ที่ไม่มาถึงก็คิดว่าก่อนหน้านั้นเราคิดจะมาอยู่แต่ใครเล่าจะอยู่ได้ด้วยความไม่ใหญ่ดีของญาติเรานี้แล้วก็พากันออกไป พระท่านก็คิดเหมือนกันนะว่าเมื่อมาแล้วไม่มีคนใหญ่ดีเลยเนี่ยไม่ได้ประโยชน์เราจะมาส่งเคาะอนุเคราะห์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่อยู่เมื่อพระทหารเหล่านั้นที่ยังไม่มาก็ไม่มาที่มาแล้วก็อยู่ลําบากทินเหล่านั้นย่อมไม่ใช่ที่อยู่สําหรับบรรดาชิตต่อไปในะถ้าเราดูอย่างดินแดนในภาคใต้เนี่ยนะต่อไปก็พระก็ไม่อยากจอยู่เพราะไปอยู่ มันไม่อยากไปเนะี่ยไปอยู่แล้วก็ลกําบากอย่างนี้เนะี่ยแต่นั้นเนะ่ะการนรักขาของเทวดาก็ย่อมไม่มีเนะี่ยถ้าพระไม่อยู่เนี่ยเทวดาก็ไม่อยากอยู่เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายโอ้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่มีคนเขารบบูชาอะไรต่งตางๆมีแต่มิจฉ า, าทิฏฐิเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยเนะ่ยเขาน่ยเขาโอ้ไม่อยากอยู่แล้วเมื่อเป็นดังนี้เราอามนุษย์ก็ได้ได้โอกาสแล้วตอนนี้เพราะอมนุษย์ ได้โอกาสก็จะหนาเนงนี้ไปด้วยอา่ามนุษย์ย่อมทาความป่วยไข้ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นบุญมีเป็นที่ตั้งช่นนี้การเห็นการถามปัญหาเราท่านผู้มีศีลเป็นต้นเมื่อมาแล้วก็ ก, ก็ไม่มีก็ไม่ถึงเจ้าเหล่านั้นน้าเข้านัาเข้าก็เป็นอย่างแฟนวัชีที่เคยเป็นโอ้โหอามนุษย์ถ้าไปอยู่ที่ไหนมากๆนี่นะเดี๋ยวก็มาแล้ว ต้องระวังกัไว้เดี๋ยวก็ไข้หวัดนกเดี๋ยวก็โรคอะไรมาเยอะนี่ก็เลยค่ะมนุษย์มันมาอยู่เยอะมันก็จะมีสิ่งเลวร้ายเกิดอยู่เรื่องนี่เป็นอย่ังไงทีนี้ต้องในบ้านเมืองนี้ต้องมาศึกษาเอามหาบริญนพิพานสูตรกันให้ดีเนะี่ยแล้วก็อือไปกระทําให้มันให้เป็นกิจจรักษณะต้องลนลงกันให้ชัดเจนแล้วเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอะไรก็ว่ากันไปเนะี่ย ฟังทำรรเข้าออวัดประพุทธปฏิบัติกันเนี่ยเด้อหายหมดแหละสิ่งเหล่านี้สารันเทเจดีได้ยินมาว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติสถานที่ที่อยู่ของสารันทยักในที่นั้นได้เป็นเจดีนะครั้งนั้นเราวัดชีเนี่ยได้สร้างถวายวิหารแด่พระพุทธเจ้าลงในที่นั้นวิหารนั้นก็นับได้ว่าสารันเเจดีนั่นเองเพราะสร้างไว้ตรงที่สารันเทเจดี เขาบอกว่าสารันตเจดีเนี่ยก่อนน่ยสร้างก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้ น, น ย, ยักษ์เคิดมาอยู่ส่วนวัสกาลพามเนี่ยโดยในแห่งพระดํารัสว่าต้องเจราจากันหนึ่งและต้องทําให้แตกแยกกันหนึ่งใช่ไหมในประเด็นที่ว่าวัสการาพามไปพอฟังคําสอนพระพุทธเจ้าไปเสร็จเนี่ยวัสกาลพามว่าบอกว่ า, ก, วาการที่แกชนะ การที่จะสู้กับชาววัชชีได้นั้นน่อย่างแรกก็คือว่าการปรการเจรจากันการประชุมเจรจากันอย่างที่สองก็คือว่าต้องทำให้แตกแยกทีนี้การส่องเครื่องบรรณาการมีช้างม้าเงินทองเป็นต้นเนี่ถ้าเราจะส่งเครื่องบรรณาการต่างๆเหล่านี้เนยส่งข้อกันด้วยการกล่าวว่าพอกันดีสำหรับความขัดแย้งเนี่ย พวกเราสามาคีกันเดี่ยวนี้เถิดดังนี้ชื่อว่าการเจรจากันถ้าจะเจรจากันก็แปลว่าอาส่งทูษส่งทูษไปคุยไปเจรจา ก, การการทําส่งข้อกันอย่างนี้ก็อาจจะยึดเหนี่ยวกันไว้ได้ด้วยความสนิทสนมกันอย่างเดียวแม้การทําให้แตกแยกก็อาจจะจับเหล่าวชัชชีเหล่านั้นได้ก็เลยตั้งประเด็นปัญหาในพรามเนี่ยเอถ้าหากว่า เราไปเจราจากันมันก็ได้แค่ว่ายึดเหนี่ยวน้ําใจกันสามัคคีกันนะไม่แตกแยกกันแต่ถ้าหากว่าเราทําให้แตกแย ก, กสามารถจะจับวัชีเหล่านั้นได้ถามบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพราม์เนี่ยได้ในแห่งพระตดำลันนี้หรือตอบว่าทรงทราบบอกว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ไหมถ้าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นเหตุให้วัศการพรามเนี่ยได้ในยาแห่งการที่จะไปทําลายเมืองวัชีพระพุทธเจ้าทราบไหมบอกทราบ ถามบอกว่าเมื่อทรงทราบเหตุเหตุใดจึงตรัสก็ตอบบอกว่าทรงอนุเคราะห์ได้ยินมาว่าพระองค์ทรงตำหนิว่าถ้าเราไม่กล่าวสองถึงสามวันจากเนี้ยพรธเจ้ารู้เลยบอกว่าพรามนั้นจับไปจับวัชีเหล่านั้นแต่เมื่อเรากล่าวว่าพรามอย่าทำลายสามาคัคคีต้องใช้เวลาถึง สามปีจากมีชีวิตอยู่เพียงเท่านี้ก็จะบะเสริดแล้วด้วยว่าเหล่าวัชชีเป็นผู้อยู่ได้เพียงนี้ก็จัดก็จักเป็นบุญเป็นที่พึ่งของตนแ่้ก็หมายความบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าพูดเป็นในว่าให้ไปลบเนี่ยใช่ไหมบอกว่าพูดในทํานองว่าให้ลบได้เนี่ย ก็คือจะย่อยยับภายในวันนี้แต่ถ้าบอกว่าถ้าพูดลักษณะอย่างเนี้รู้ด้วยว่าพราหมณ์เนี่ยใช้วิธีการยุยงทําให้แตกแยกยกันแต่การที่จะทําให้แตกแยกยกันได้ต้องใช้เวลาถึงสามปีฉะนั้นชาววชิรก็อยู่ได้อีกนานเนียืดได้อีกนานพระเจ้าก็เ ล, เลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดก็เลยพูดเรืวว่องวชิร์ธรรนี่ใ้พราหมฟังแล้วก็พราหมณ์ก็ถือว่าประโยชน์อันนี้ไปบอกว่าเนื้อ เป็นบุญแล้วครน ว, วชีในอีกสาปีอย่าแตกนก็ถือว่าบุญแล้วใช่ไหมใช่ที่บวชว่าอภินันทิตวาก็แปลว่าบําเทิงจิตน่ยอนุโมทิตวาได้แก่อนุโมทนาด้วยวาจาส่วนปักกามิไปยังราชสำนะักคือรำดับนั้นเนี่ยนะพระเจ้าชาติสตร์ตัดถามพราหมณ์นั้นว่าอาจารย์ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากันอะไรพรามกทูลบอกว่าพระตํารัสของพระโคดมบ่งชี้ว่าใครๆไม่อาจจะจับเหล่าเจ้าวัชีได้คือถามทันทีไหมบอกว่าเออพอกลับมาพบเหนื้อพระเจ้าชาติตัวก็ถามบอกว่าพระเจ้าบอกว่าจับยากลบยากเพราะว่าเจ้าวัชีมีพวกเจ้าลัดวัชีมีวัชีทำนะ แต่อาจจะจับได้ด้วยการเจราจาและกระานทำให้แตกกันพระราชาก็ตัดถามาพามนั้นว่าช้างม้าเป็นต้นของเราจะพินาศ ด, ด้วยการเจราจา อ, อถ้าไปเจราจาเนี่ยเราก็ต้องเสียช้างเสียมา้าเสียอะไรต่างๆเป็นเครื่องบนาารนดาลใจใช่ไรมแล้วจะจับเจ้าวัชชีเหล่านั้นด้วยการทาลายสามัคคีเท่านั้นเจ้าวชัชชีคือว่าวัาสกลพามเสนอสองเงื่อนไขบอกว่า เจราจาอมชอมก็ได้กระส่งเครื่องบรรณาการอะไรต่างๆเหล่านี้ไปแล้วก็สมานในฉันกันอย่างนี้เป็นต้นเหล่าเนี่ยนะนะพระเจ้าชาติโตไม่เอาไม่ยอมเสียมา้าเสียช้างไม่ยอมเสียเครื่องบรนดาการแต่วิธีการทําลายก็แตกสามัคคีกันเอาพรามก็ทูลว่ามหาราเชเย้าถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดปารล็อแควมวัชียก ร่วงขึ้นตัดในที่ประชุมแต่นั้นข้าพระองค์จากทูลว่ามหาราชเจ้าพระองค์ประสงค์อะไรด้วยสมบัติของพระเจ้าเหล่านั้นของเจ้าเหล่านั้นเจ้าเหล่านั้นจงทํากสิกรรมพาณิชยกรรมเลี้ยงชีพเถิดและข้าพระองค์ทําเป็นหลบหนีไปต่อ น, นั้นพระองค์ก็พึงตรัสว่าเหตุไรหนอพราผู้นี้จึงคัดค้านเรื่องแคว้นวัชิที่ที่ที่ป่าลบกัน ตอนกลางวันข้าพระองค์ก็จะส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายจเจ้าวชีเหล่านั้นแม้พระองค์ก็ทรงให้จับซึ่งข้าพระองค์แจ้งโทษข้าพระองค์ไม่ทำการจองจำและเคียนตีเป็นต้นหากแต่ให้โกลนหัวอย่างเดียวแล้วก็เนรเทศออกจากเมืองเข้าใจตรงนี้ไหมหมายความบอกว่าเออพรุ่งนี้ให้พระองค์ประชุมอมารราชบริพาร เมื่อประชุมอามาลราชบริพารแล้วก็บอกว่าพระองค์บอกว่าจะไปรบเมืองก่อแฟนวัชีเมื่อพูดอย่างนั้นแล้วข้าพระองค์จะค้านขึ้นในที่ประชุมเลยบอกห้ามไปรบเด็ดขาดปล่อยให้เจ้า ว, วัชีนั้นทํากสิกรรมพาณิชกรรมโครากรรมเขาไปว่างนั้นให้เขาอยู่กันเป็นปกติโศกทําไมเราจะต้องไปลุกล้านเขาด้วยพอคัดค้านอย่างนั้นเด็ดเสร็จแล้วก็ ทำพรามเนี่ยวัชกรารพราม์ก็ทําทีโกรธแล้วก็เดินออกอยู่ที่ประชุมไปเลยเนี่ยเนียพระเจ้าชาติสตีก็ตัก็โกรธทีแรกก็ไม่แต่ไม่ลงโทษนะวัชกาลพรามบอกว่าอย่าอย่าเคียดและอย่าประหานข้าพระองค์หนึ่งแล้วต่อมาวัชการาพรามก็ส่งเครื่องบรรณาการไปให้เลยไปให้วัชีนอกจากไม่ทําตามคําของพระเจ้าเป็นดินแล้วยังแอบ ส่งเครื่องบรรณาการไปให้ด้วยพอพระเจ้าใชา้ตูรู้อย่างนั้นก็จับวัสดกรารพามากนหัวเลยคนสมัยก่อนเนี่ถือว่าลงโทษแรงที่สุดกานก่หนัวก็าถือว่าเป็นอับประยศ์อับปีในเนี่ยก่หัวเนี่ย น, นั้นจับอมาตก่หัวถ้าปัจจุบันก่หัวนี่เออกลับดีไปซองก็เจเริญกันในนี้บางคนก่อหัวดังทั่วโลกเลยนี่เขก็พอก่อหนัวเบรศเสร็จก็ก็ส่งไป นี่เป็นอย่างนี้เนรเทศออกจากพระนครเมื่อเป็นดังนี้ข้าพระองค์จักกล่าวข้าพระองค์จักสร้างกำแพงและคูในพระนครของพระองค์ข้าพระองค์จึงรู้สิ่งต่างๆเช่นความมั่นคงความอ่อนแอเป็นต้นขออย่าเนรเทศเลยพระองค์ได้ฟังสร้อยคําแล้วเพิ่งตัดสั่งไล่ให้ไปดังนี้พระราชาก็ทําตามอุบายนั้นทุกประการคือว่าในที่สุดจริงๆก็พระ ว่าสกัลพามก็บอกว่าตนเองจะสร้างคูเมืองบอกว่างั้นนะบอกว่าบอกว่าอย่าเนรเทศตนเองเลยตนเองจะให้ทหารทําคูเมืองกุ้งราชคือล้อมชาววัชีก็มาลบเราไม่ได้เลยต่างๆพระเจ้าชาตูไม่ยอมโกรธโกนหัวแล้วก็ไล่ออกนอกเมืองไปเหล่าเจ้าวัชีทรงสดับการเนรเทศของพรมเห็น ไ, ไหมข่าวนี้ดังไปถึง ว, วัชีเลยเนะ พราหม์โอ้อวดท่านทั้งหลายอย่าให้พราหมนั้นข้ามเมืองแม่น้ําคงคาไปได้บรรดาเจ้าวัตถีบางพวกก็กล่าวว่าเขาว่าพราหมนั้นถูกเขาว่าอย่างนี้เพราะเขาพูดปาลรอพวกเราก็คือบอกว่าคือพอข้ามไอแม่น้ําคงา